ตจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่3 ส, สิงลาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวันเพื่อมา ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตจิตใจของตนโดยการมาทำบุญให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการสังเทตสังธรมเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลเปรียบเหมือนกับการนำเอาเงินไปฝากในธนาคาร เงินที่เราไปฝากไว้ในธนาคารย่อมปลอดภัยและเราสามารถเรียกใช้ได้ในอย่างที่เราต้องการที่จะใช้เงินทองส่วนการทําบาปทํากรรมก็เป็นเหมือนกับการสร้างหนี้เหมือนกับไปกู้เงินมาจากธนาคารที่จะต้องชดใช้ ตามลำดับต่อไปถ้าเราไม่อยากจะมีหนี้เราก็อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมถ้าเราอยากจะมีเงินทองเก็บเอาไว้เพื่อดูแลรักษาเราในภายภาคหน้า <c oughs> ก็ขอให้สร้างสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้มากๆเพราะชีวิตของเรานั้นไม่ได้จบที่ ความตายของร่างกายความตายของร่างกายเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่แล้วชำนุดทรุดโรมไม่สามารถนำมามาใส่ได้อต่อไปแต่ร่างกายผู้สวมใส่เสื้อผ้าอาภรยังอยู่ยังสามารถหาเสื้อผ้าอาพรชุดใหม่มาสวมใส่ได้ ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าอากรเสื้อผ้าอาภรรของใจเวลาร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจต้องไปหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับเราต้องไปหาเสื้อผ้าชุดใหม่เราจะได้เสื้อผ้าชุดใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมก็ขึ้นอยู่กับฐานะ ของบุญของบาปที่เราได้สะสมไว้ในธนาคารบุญในธนาคารบาปนี่เองถ้าเราสะสมบุญไว้มากกว่าสะสมบาปเราก็จะมีโอกาสที่ได้ที่จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมถ้าเรามีบาปมีหนี้มากกว่ามีทรัพย์อยู่ในธนาคาร เราก็ไม่สามารถที่จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนี่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผสั่งสอนให้แก่สตว์โลกผู้ยังมีความมืดบอดยังไม่สามารถมองเห็นใจของตอนเองได้พวกเราทุกคนที่ไม่รู้ว่าใจของเราอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไร มีหรือไม่เราไม่รู้เรารู้แต่ว่าเรามีร่างกายแล้วเราก็หลงเรียกร่างกายนี้ว่าตัวเราของเราเพราะเราขาดปัญญาเราขาดธรรมะขาดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองความเห็นที่ถูกต้องนี้จะเห็นได้เพียงแต่ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรม คือผู้บรรลุธรรมหรือตัดสรู้ธรรมเช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหานตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่เห็นดวงใจของเราอย่างชัดเจนโดยไม่มีความเครือแคลงสงสัยเลยว่าใจของเรามีอยู่หรือไม่แล้วอยู่ตรงไหนท่านไม่สงสัยเพราะท่านมีปัญญามีแสงสว่าง เหมือนกับเราถ้าอยู่ในที่มืดขาดแสงสวา่างเราจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้แต่ถ้าเรามีแสงสวา่างอย่างเช่นตอนนี้เราก็สามารถมองเห็นสิ่งสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ฉันใดผู้ที่ได้ศึกษาได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติจเจริญจิตภาวนา ทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแล้วจะมีแสงสว่างภายในจิตใจทำให้เห็นจิตใจได้อย่างชัดเจน <c oughs> สำหรับพวกเราที่ยังไม่มีแสงสวา่างยังมองไม่เห็นด้วยตัวเราเองเราก็ต้องอาศัยผู้ที่เห็นแล้วเป็นผู้นำทางเหมือนคนที่ตาดีนำทางคนตาบอดถ้าเราปรารถนา ที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีที่งามที่มีแต่ความสุขและความเจริญเราก็ต้องอาศัยผู้ที่เห็นทางพาเราไปนั่นเองฉนันใดพวกเราที่ยังมองไม่เห็นใจของเราว่ามีหรือไม่ว่าตายแล้วร่างกายนี้ตายแล้วใจของเราตายไปพร้อมกับร่างกายหรือไม่ เราก็ต้องเชื่อผู้ที่รู้ผู้ที่เห็นมาก่อนเราก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้องค์แรกหลังจากนั้นพระองค์ก็เอานำความรู้คือพระธรรมคำสอนมาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็เดินตามปฏิบัติตามจนมีแสงสว่าง ปรากฏขึ้นมาในจิตใจก็เลยสามารถมองเห็นได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นท่านเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นพระสังฆัตนะขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์เป็นสารณะองค์ที่สามในรัตนะัย ท, ทั้งสามองค์เนี่ยแล้วท่านก็เป็นผู้ทาหน้าที่แทนพระพุทธเจ้า นำเพระธรรมคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่มาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไปแล้วก็ได้มีการสืบทอดและถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงในปัจจุบันนี้พวกเราจึงได้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องของใจของเราเมื่อเรารับรู้แล้ว ถ้าเราเชื่อแล้วนำเอามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็จะได้รับประโยชน์เราก็จะได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาตามลำดับต่อไปอย่างที่พระอริยสงสาวกทั้งหลายได้เห็นกันได้เห็นเพราะศรัทธาที่พระพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อมีศรัทธาแล้วก็จะมีวิริยะคือมีความอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มีกันท่านมีความขยันหมั่นเพียรในการทําบุญในการละบาปในการชาระจิตใจของท่านให้สะอาดด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงตามกำลังแห่งสติ ป, ปัญญาที่มีอยู่ และเมื่อท่านได้ทําไปเรื่อยๆกําลังแห่งสติปัญญาแห่งวิริยะความขยันหมั่นเพียรแห่งสมาธิและศรัทธาก็จะเพิ่มพูน ม, มากขึ้นไปเรื่อยๆตามลําดับเมื่อมีกําลังมากขึ้นก็สามารถที่จะสร้างแสงสว่างภายในจิตใจให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดก็จะมีแต่แสงสว่างเต็มในหัวใจของเราไม่มีมุมมืดมุมบอดนอหนงเลยก็อยู่เลย <Yeah. S 1> เมื่อจิตใจได้มีแสงสว่างแห่งธรรมเต็มที่แล้วจิตใจก็จะได้รับประโยชน์สุขอย่างเต็มที่คือได้พระนิพพานมาเป็นสมบัติได้ตัดทบตัดชาติตัดบุญตัดกะ ตัดกรรมทั้งหลายที่ได้เคยทำไว้ในแต่ละภพในแต่ละชาติให้หมดสิ้นไปบาปกรรมต่างๆ ท, ที่เคยทำมาแม้นจะดักหนาะสาหัสเพียงไรก็ตามเมื่อจิตใจได้ไปถึงพระนิพพานแล้วบาปกรรมเหล่านั้นก็จะไม่สามารถตามมาให้ผลได้อีกต่อไปถ้าตราบใดยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้น บาปกรรมก็ยังมีโอกาสที่จะตามมาสนองผลให้ได้อยู่อย่างชีวิตของพวกเราในขณะนี้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นโอกาสหรือเป็นช่องที่จะให้บาปกรรมที่เราได้เคยทําไว้ในอดีตได้มาปรากฏผลกับเรา ชีวิตของเราจึงเป็นชีวิตแบบรุ่มๆุ่มดอนๆบางเวลาก็มีความสุขบางเวลาก็มีความทุกข์เนื่องจากเราเคยทำทั้งบาปเคยทำทั้งบุญมาในอดีตจึงส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นรุ่มรุ่มดอนดเวลาที่บุญได้ส่งผลชีวิตของเราก็เจริญมีความสุขเวลาที่บาปกรรมส่งผล ชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกมีแต่ความเสียใจมีแต่ความเสื่อมเสียนี่คือเรื่องของบุญกรรมของเราที่เราได้ทำมาในอดีตและกำลังทำอยู่ในปัจจุบันและจะต้องรับผลต่อไปตราบใดที่เรายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานตราบใดที่เรายังไม่ได้ตับพภพตัชาต ให้หมดสิ้นไปดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาแบกกับกองทุก์แบกกับวิบากกรรมต่างๆที่เราเคยทำไว้เราก็ควรที่จะรีบเร่งขวนขวายประพุทธปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากเท่าที่เราจะสามารถทำได้เมื่อเราทำมากขึ้นไปแล้ว การปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆในเบื้องต้นเวลาเราปฏิบัติธรรมนี้เราจะรู้สึกยากเพราะมันทวนกับมันทวนกระแสของความรู้สึกนึกคิดของเรากระแสของความรู้สึกในใจของปุถุชนอย่างพวกเรานี้จะเป็นกระแสของกิเลสคือของความโลภของความโกรธของความหลง เวลาที่เราจะไหว้ทวนกระแสนี้คือไหว้ทวนกระแสของความโลภความโกรธความหลงเราจะรู้สึกยากมากแต่เวลาที่เราทำอะไรตามกระแสของความโลภความโกรธความหลงเราจะรู้สึกว่าทำได้ง่ายมากเช่นเวลาอยากจะโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะทำได้ทันทีเลยไม่ต้องตั้งหลัก ไม่เหมือนกับเวลาที่จะทำสิ่งที่ขัดกับความโลภของเราเช่นการให้การเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นเราจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเหมือนกับเวลาที่เราทำเพื่อตัวเราเองเพื่อเพื่อความอยากของเราเราจะทำได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราฝืนทำ ขืนความโลภของเราเช่นวันนี้เรามาทำทานเรากับข้าวกับปลาของข้าวของหวานปัจจุจตุปัจจั ย, ท, ยาทานต่างๆมาถวายพระมาให้แก่ผู้อื่นก็เป็นการสร้างพลังของการให้ที่จะต้านกระแสของความโลภของความอยากเมื่อเราทำได้ครั้งหนึ่งแล้ว ทั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นและเมื่อเราทําบ่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปกระแสของความโลิกก็จะเบาลงไปจะเบาลงไปและจะหมดไปได้ในที่สุดด้วยกําลังของกระแสธรรมคือการให้นี้เป็นจุดเริ่มต้นแต่เป็นจุดที่ยังต้องพัฒนาต่อไปเพราะนอกจากการให้แล้ว เราก็ยังต้องอละเว้นจากการทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นจะเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมให้แก่เราและเราจะต้องรับผลของบาปกรรมในลำดับต่อไปถ้าเราไม่สร้างบาปสร้างกรรมผลของบาปกรรม ก็จะไม่มีปรากฏขึ้นมาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เราก็ไม่มีผ ล, ลไม้ถ้าเราปลูกเราก็มีผลลไม้ฉันใดการกระทาของเรานี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาทั้งผลดีและผลไม่ดีถ้าทำดีผลดีก็จะตามมา ถ้าทำไม่ดีผลไม่ดีก็จะตามมาผลนี้ก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนที่ปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันในขณะที่ทำและผลที่เกิดตามมาหลังจากที่ทำไปแล้วผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือผลในใจเวลาเราทำความดีเราจะรู้สึกมีความสุขใจ มีความอิ่มเอิบใจเวลาที่เราทำไม่ดีเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์ใจตามมานี่คือผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนผลที่จะตามมาต่อไปก็คือผลที่เกิดจากผู้อื่นหลังจากที่เขาทราบว่าเราทำดีหรือเราทำไม่ดีถ้าเราทำดีเขาทราบ เขาก็อยากจะอนุโมทนาบุญอยากจะสนับสนุนการทำความดีของเราถ้าเขาทราบว่าเราทำไม่ดีเขาก็อยากจะสาปแช่งเราอยากจะตำหนิตีเตียนเขาอยากจะลงโทษเรานี่คือผลในอนาคตที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ส่วนผลในอนาคตที่เกิดหลังจากที่เราตายไปแล้ว ก็คือภพชาติที่เราจะต้องไปเกิดต่อไป ท, ทําบาปเมื่อถึงเวลาที่เราต้องใช้บาปก็ต้องไปเกิดในาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างถ้าทําบุญก็จะได้ไปเกิดเป็นเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอริยเจ้าบ้าง ตามกำลังของบุญของความดีที่เรากระทำกันบุญที่เราทำและบาปที่เราทำนี้จะสะสมเหมือนเป็นบัญชีในธนาคารถึงแม้จะทำบุญเพียงเล็กๆน้อยๆอยมันก็จะเข้าไปในบัญชีทันทีทาบาปเพียงเล็กๆน้อยๆอยมันก็จะเข้าไปในบัญชีทันทีและมันก็จะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ร่างกายของเรา ต้องตายตอนนั้นผลลัพธ์ของบุญและบาปก็จะมามาต่อสู้กันมาดูว่าผลไหนมีกำลังมากกว่าถ้าผมบุญมีกำลังมากกว่าก็จะได้ไปเกิดในสุขติถ้าผลบาปมีกำลังมากกว่าก็จะไปเกิดในอบาย <c oughs> เมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะไปบังคับ ใจของเราให้ไปตามที่เราต้องการได้เพราะในขณะนี้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่มีกำลังวังชาเรายังไม่สามารถบังคับใจของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการเลยเช่นเวลาที่เรา โ, าราโกรธเวลาที่เราเสียใจเราจะหยุดความโกรธหยุดความเสียใจเราก็หยุดไม่ได้เวลาที่เรามีความโลภมีความอยาก เราก็ไม่มีกําลังที่จะหยุดความโลภหยุดความอยากได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อถึงเวลาที่เราจะตายไปเราจะไม่มีกําลังที่จะมาบังคับใจของเราให้ไปสู่สุขติได้เลยถ้ามันจะไปทางอบายนอกจากว่าถ้าเราได้พัฒนาเราได้ฝึกหัดควบคุม จิตใจของเราในขณะที่เรามีชีวิตอยู่จนสามารถควบคุมได้ตลอดเวลาซึ่งก็เป็นเพียงพระอาหารหันต์เท่านั้นที่จะสามารถควบคุมใจของเราได้ตลอดเวลาจะสั่งใจให้ไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้ให้อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก็ได้แต่สำหรับใจผู้อื่นน่าจะเป็นพระสาวก ขั้นพระานาคาเมื่อขั้นสกิดาคามีหรือขั้นโสดาบันก็ยังไม่สามารถควบคุมใจได้ตลอดเวลาได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ใจของท่านนั้นไม่ไปทางฝ่ายต่ําแล้วเท่า น, นั้นเองใจของพระโสดาของสกิดาคามีของานาคามีนี้จะไม่ไปทางอบายโดยเด็ดขาดเพราะท่านได้กําจัดความ ปรารถนาที่จะไปทําบาปทำกรรมได้หมดไปจากใจแล้วนั่นเองใจของท่านจึงไม่ต้องไปทางอาบายแต่เนื่องจากยังไม่ได้กําจัดกิเลสความอยากความโลภที่ละเอียดที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจให้หมดไปเมื่อถึงเวลาที่ตายไปพระอริยบุคคลทั้งสามขั้นคือพระสะกิดาคามีพระอนาคามี และพระโสดาบันก็ยังต้องไปเกิดในภพภูมิของท่านต่อไปถ้าเป็นพระโสดาบันก็ยังมีภพชาติเหลืออยู่อีกเจ็ดชาติที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์และมาปฏิบัติธรรมต่อจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระสติดาคามีก็มีภพชาติเหลือเพียงภพเดียวในภพของมนุษย์ส่วนพระอนาคามีนี้ ท่านไม่มีภพชาติในของมนุษย์เหนืออยู่แล้วแต่ท่านท่านยังติดอยู่ในภพของพรหมอยู่แต่ท่านสามารถที่จะปฏิบัติในภพของพรหมและบรรลุเป็นพระอารหันต์ได้ตามลำดับต่อไปส่วนพระอารหรนันต์นี้ท่านจะไม่ไปเกิดอีกต่อไปเลยเพราะท่านสามารถควบคุมบังคับวิบากกรรมที่จะส่งใจของท่าน ให้ไปเกิดตามภพภูมิต่างๆได้โดยสิ้นเชิงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงไม่ไปเกิดอีกต่อไปพระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงไม่ไปเกิดอีกต่อไปแต่การไม่เกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์นี้ได้สูญหายไปเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่สูญหายไม่ตายไม่ดับไม่มีใครสามารถทำลาย ใจได้ใจเพียงแต่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับภพบชาติเท่านั้นเองใจไม่ได้ไปเอาร่างกายใหม่มาครอบครองเหมือนกับคนที่อยู่บ้านไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกไปนอกบ้านก็เลยไม่ไปซื้อรถยนต์มาขับนัดเท่านั้นเองส่วนผู้ที่ยังต้องออกนอกบ้านคือยังมีความโลภมีความอยากอยู่ ยังอยู่อยู่ไม่ติดบ้านยังต้องออกไปตามสถานที่ต่างๆก็ต้องมีรถยนต์เป็นพานะพาไปร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์เป็นพานะของจิตใจของผู้ที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเมื่อถึงเวลาที่รถยนต์คันเก่าคือร่างกายร่างเก่านี้ตายไป ใจนี้ก็จะต้องไปหาซื้อรถยนต์คันใหม่มาตามกําลังของบุญของบาป ท, ที่ได้ทำไว้ถ้ามีบุญมากก็ได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมได้กลับมาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีสติปัญญาดีกว่าเดิมมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเดิมเป็นต้นด้วยอำนาจของบุญ ถ้าทำแต่บาปและถูกบาปส่งไปให้ไปเกิดก็ต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานบ้างร่างของเปรตบ้างหรือต้องไปตกนรกใช้เวรใช้กรรมก่อนกว่าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ากลับมาหลังจากใช้เวรใช้กรรมแล้วก็จะไม่ได้ร่างกายที่ดีกว่าเดิมแต่กลับจะได้ร่างกายที่เลวกว่าเดิมเพราะ เชื้อของบาปกรรมที่ได้ทำไว้ยังมีติดค้างอยู่ในจิตในใจจึงทำมาให้เกิดมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามมีสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงมีอวัยวะไม่ครบถ้วนส2มสองมีสติปัญญาที่ไม่สมบูรณ์เป็นคนที่เรียกว่าสติไม่ค่อยดีเหล่านี้เป็นผลของกรรมเก่าที่ได้ทำไว้ ที่ยังมีข้างค้างหลงเหลือติดอยู่ในใจอยู่นี่คือเรื่องของใจที่ยังต้องไปหาร่างใหม่ถ้ายังไม่ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจถ้าชำระหมดแล้วอย่างของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านก็ไม่ต้องออกจากบ้านบ้านของท่านก็คือพระนิพพาน พรนิพพานนี้ก็คือเป็นบ้านที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการกันไม่ว่าจะเป็นความสุขแบบไหนชนิดใดมีครบถ้วนบริบูรณ์อยู่ในบ้านแล้วไม่ต้องออกไปหาอะไรมาเติมอีกต่อไปปัจจัยของพระพุทธเจ้าและของพระอนันตสาวกทั้งหลายจึงอยู่ในบ้านหลังนี้ไปตลอดอนันตการไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่เพียงนิดเดียว เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าการไปถึงพระนิพพานนี้เป็นสิ่งเลวร้วายเพราะจะไม่ได้เกิดออกเพราะความรู้สึกของพวกเรานี้เนื่องจากยังมีความโลภความอยากอยู่ยึงทำให้เราคิดว่าการได้มาเกิดนี้ดีกว่าการไม่ได้มาเกิดแต่เราลืมมองถึงสภาพที่ตามมาหลังจากที่เราเกิดแล้วว่าเป็นอย่างไรว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บไข้ได้เป่อย แล้วเราต้องตายเราต้องพัดพลาดจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบเราต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เราไม่ปรารถนาะสิ่งเหล่านี้เราไม่ค่อยคิดกันเราจึงลืมไปว่าโลกนี้มันเป็นโลกของความทุกข์เรากลับไปคิดว่าโลกนี้เป็นโลกของความสุขจึงทำให้เราอยากมีชีวิตอยู่ไปนานๆและเมื่อตายแล้วก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่ แต่เวลาที่เราร้องโหยร้องไห้นี้เศร้าโศกเสียใจเราไม่เคยคิดเลยว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความอยากที่จะอยู่ไปนานๆแล้วเกิดจากความอยากที่จะกลับมาเกิดใหม่นั่นเองไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเพราะถ้าเราไม่มาเกิดแล้วเราจะมีเราจะแก่ได้ไหมเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไหมเราจะตายได้ไหมเมื่อไม่มีร่างกายแล้วเราจะตายได้หรือเปล่า ไม่ได้ใช่ไหมแต่เราไม่คิดกันเราคิดเพราะเราไม่รู้ว่าพระนิพพานนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าจิตที่ไม่ต้องไปเกิดนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าความสุขอันเลิศอันวิเศษที่เกิดจากการไม่เกิดนี้เป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่คิดเราจะไม่รู้แต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะรู้และเราจะเกิดความเบื่อหน่าย ในการเกิดในการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเราเกิดความเบื่อหน่ายแล้วตอนนั้นเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นเหมือนรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่การไม่เกิดได้นั่นเองมีใครอยากจะเดินไปหรืออยากจะนั่งรถไประหว่างเดินไปกับนั่งรถไปอย่างไหนจะดีกว่ากันเดินไปเมื่อไหร่จะถึง เมือเราเดินจากที่นี่ไปกรุงเทพกับนั่งรถยนต์จากที่นี่ไปกรุงเทพอันไหนจะสะดวกกว่ากันจะสะบายกว่ากันฉันใดาการปฏิบัติโดยไม่มีพระธรรมคาสอนก็เหมือนกับเดินไปนอกจากเดินไปแล้วยังต้องคลำทางไปด้วยไม่มีแผนที่ไม่มีคนนําทางแต่ถ้าเราปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพ่อพระพุทธเจ้าก็เหมือนมีคนขับรถพาเราไป เราไม่ต้องทำอะไรเราเพียงแต่นั่งอยู่ในรถเท่านั้นเองเราก็ให้เราปฏิบัติทานศีลภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นเองขอให้เราทำแต่ความดีละบาปแล้วกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเท่านั้นเองเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้าเราไม่มีรถยนต์ไม่มีคนสอน เราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างและเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะสติปัญญาของเรานี้ไม่อยู่ในระดับที่จะสามารถบรรลุทำได้ด้วยตัวเองมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ได้บาเพ็ญบา ร, รมีมาอย่างโชคโชนมาอย่างมากมายกายกองถึงจะสามารถหาทางไปได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นแล้วไม่มีใครไปได้เลยต้องมีพระพุทธเจ้าพาไปพวกเราจึงถือว่าโชคดีได้มาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับได้พบพระพุทธเจ้าโดยตรงเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้ให้ผ่านไปโดยไม่สนใจต่อคำสอนไม่ศึกษาไม่นำเอามาพิจารณาและนำเอาไปปฏิบัติ การเกิดของเราก็จะไม่ได้ไประโยชน์เท่าที่ควรจะได้แต่ถ้าเราน้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วนับรองได้ว่าเราจะได้พบกับสิ่งที่วิเศษอย่างยิ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนจึงขอฝากเรื่องของการมีศรัทธามีความวิริยะอุตสาหะที่จะศึกษา